พระโอษ เ, เจ้ายัางสอนว่าคนในลงนรกมันเหมือนกับขนวัวขึ้นสวรรค์เหมือนกับเขาวัวมันจะเปรียบกันได้ที่ไหนนะมัน ก, มนก็มันก็ถูกแล้วมันยังคนมารักษาศีลปฏิบัติธรรมอยู่ในวัดแต่ละวัดแต่ เทียบกับคนอยู่ในบ้านแล้วคนอยู่ในบ้านเหมือนกับขนวัวนะคนมาอยู่วัดเหมือนกับเขาหัวเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งไม่ว่ายุคใ ด, ดสมัยใดเหมือนกันมดเลย ว่าคนคนทุกสินั้นมีมากต่อมากคนมีสินน่มีน้อยเนี่ยท่านหมายเอาเอาคนมีสินนะเป็นหลักเพราะว่าคนมีสินนี่มันเป็นเครื่องกีดกันม่นให้ไปตกนรกนี่นะ เมยไปเม่ให้ไปเกิดในอาวัยภูมิมท้งสี่เนี่ยแะถ้าเป็นพวกไม่มีศีลแล้วนะมันกันไม่ได้เลยถ้าว่าอย่างว่าไม่ทำบาปหนักก็ทำบาปเบาก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเกิดเป็นอาทรรายหรือเป็นเปรตอย่างนี้นะ บุคคลไม่ทํารวมในสินน ะ, ะจริงอยู่บุคคลนะที่เมื่อยังไม่รู้มันก็ต้องไม่ได้สนใจเรื่องสินมันก็ทําบาปไปเมื่อ ได้ฟังคาสอนที่เจ้าได้รู้แล้วอย่างนี้ตั้งเจตนาละเว้นลงไปไม่ทำมันต่อไปอีกจเจริญเมตตากรุณาให้บังมากเข้าไว้อย่ายินดีเอเห็นคนอื่นเขาทำบาปก็ดีอย่าไปยินดีกับเขาให้ คงสังเวทลงไปมีความสังเวชสะลุดใจที่คนเรายัางหลงไปทำบาปอยู่อย่างนี้นะเพราะการทำบาปนี่เนะี่ยมันเป็นเครื่องทวงชีวิตไว้ในโลกนี้ให้พ้นจากโลกนี้และโลกหน้าไปไม่ได้พูดง่ายๆว่า เหตุที่ไม่ได้เข้าสู่พระนิพพานก็เพราะบาปนี่เองเนี่ยมันน่วงเหนียวชีวิตไว้บุญกุศลแล้วมันมีแต่ส่งชีวิตจิตใจนี้ให้ใกล้ต่อพระนิพพานข้าไปเรื่อยๆอมันเป็นปอย่างนั้นเดือนวันนะั้นนั้นให้พากันเข้าใจพุทธ ผู้ที่ไม่เข้าใจอย่างนี้ไม่ค่อยสนใจในเรื่องการละบาปการบำเพ็ญบุญกุศลอันนี้แล้วถ้าหากว่าจะแสดงไปในธรรมะอันสูงกว่านี้ส่วนมากผู้ปฏิบัติในศีลยังไม่ได้แล้เกิดปฏิบัติธรรมะอัสูงกว่านี้ได้ยังไงอ่ะ นี่แหละนั้นต้องทำพื้นฐานนี้ให้มันสะอาดสะกอนมันถึงจะเป็นภาชนะทองรองรับเอาบุญเอากุศลสูงขึ้นไปขวนนั้นได้สินนี้นั่นชือว่าเป็นพื้นฐานของบุญกุศลทุกอย่างเลย ผู้มีศีลมั่นคงแล้วอย่างนี้นะนั่นจะทำบุญให้ทานวัตถุสิ่งของอะไรอันไ้มันก็มีผลมากเหมือนอย่างคนปรับพื้นดินดีแล้วปลูกพืชต่างๆลงไปนะั่นเองมันก็ย่อมงอกงามเจริญขึ้นได้ ถ้าไปปลูกพืชพันธุ์ต่างๆบ่มปา่าหญ้าไว้ลองดูสิมันมีทางนะมันจะไปเจริญงอกงามก็ได้เต็มที่นะอันนี้นเปรียบเหมือนอย่างบุคคลไม่มีสินจะทำบาตทำคัมแล้วแล้วพากันทำบุญมันก็เหมือนกับไปปลูกข้าวหรือปลูกมะม่วงขนุนอะไรบ่มป่าหญ้าไว้นั่นแหละ มันก็เป็นแค่นั้นนะดังนั้นทุกคนให้พึงเข้าใจความมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาเราต้องเข้าใจหลักหมายความงั้นหลักที่แท้จริงพระพุทธเจ้าทรงพระประสงค์ให้คนมีศีลเหตุนั้นพระองค์จ้ า, าแสดง อันนี้สงสินไว้ท้านคําให้ศินนั่ะนะนะตรงเอาไปพิจารณาดูสิสินนี่อาํานวยผลให้บุคคลถึงซึ่งพรนิพพานดูนะนั่นเองทานนี่ยังไม่ก็องค์ยังไม่ตัดว่าส่งบุคคลให้ถึงบระนิพพานไม่มีมนี่ทศวรรคษนะว่าอย่างนั้นแต่ถ้าไม่มีสินน่าก็ไม่มีทางหรอกที่จะไปสวรรค์ได้นะบุคคลระมุนําทานนี่นะ ไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้บากันเห็นความสัมพันธ์ในสินให้มากๆอย่าไปอ้างโน้อนอ้างนี้อะไรเลยเพราะว่าเร า, มารไม่ท้องไม่ท้องอ้างตั้งคิจเจตนาวิรัตละเวน้นจากโทษ น, น, นั้นแล้วก็เราจะได้พ้นจาก ในอบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นไปได้ถ้าผู้ใดยังไม่ได้ปักกาลงต่อศีล น, นี่แล้วรับรองไม่ได้เลยแล้วว่าว่าตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนแน่นอนแหละพอพออนุมาณได้ ถ้าทำบุญมากกว่าบาปอย่างนี้อย่างน้อยบุญก็พาไปมาเกิดเป็นคนอีกเท่านั้นเนี่ยอันจะไปสวรรค์นี่คงยากมีน้อยที่เต็มที่อะเมื่อหมดบุญอันนั้นแล้วก็ต้องกลับมารับผลของบาปที่ทำนั่นอีกในภายหลังเนี่ย การที่บุคคลจะไม่มีบาปที่ทามาแต่คนหลังนั้นตามมาสนองได้ก็ต่อเมื่อรู้ตัวแล้วสมทานมันในศีลเข้าไปแล้วก็ไหวพระภาวนาเข้าไปทาจิตใจให้สูงขึ้นอยู่ด้วยพรมวิหารสี่ ให้มีจิตประกอบกันด้วยเมตตาปราถนาให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้ากันอยู่อย่างนั้นไม่คิดที่จะให้สัตว์ทั้งหลายถึงซึ่งความตายความพินาศสิบหายต่างๆมีจิตปราถนาที่จะให้สัตว์ทั้งหลายนั้นคงรองสามัคคีกันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน กระรุณามีจิตสงสารในเมื่อเห็นคนอื่นและสัตว์อื่นตกทุกข์ได้ยากลำบากเคดช่วยเหลือให้เขาได้ค้นจากความทุกข์ความลาบากอันนั้นความขัดข้องอันนั้นเท่าที่เราจะช่วยได้แต่ถ้าหากว่ามันเหลือวิสัยมันช่วยไม่ได้แล้อย่างนี้ก็วางอบเบขาลงไป นึกถึงกรรมของสัตว์พอสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนผู้ใดทำกรรมอะไรก็ย่อมได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นในเมื่อกรรมมันให้ผลแล้วไม่มีใครไปลบล้างได้แล้วก็นึกถึงกรรมอย่างนี้กรร็จึงวางอุเบกขาลงได้ถ้าถ้าไม่นึกถึงกรรมอย่างว่านี้แล้ว ถ้าเป็นลูกเป็นหลานเป็นญาติพี่น้องของตนที่รักกันสนิทสนมกันยิ่งอย่างนี้มันก็ต้องเป็นทุกข์เกลีดร้อนเ้ยเมื่อฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งดวงรับไปหรือ ว, ว่าถึงความมีบัตริรกดเสียอกเสียใจอย่างแรงนี่แหละความเป็นผู้ลืมนัม่นเลยนึกถึงกรรมของสัตว์ ดังนั้นเรื่องกรรมเนี่ยนอะย่าไปลืมจำไว้ให้ดีสัว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนนี่นะภาวนาไว้เสมอเสมอท่านบุคคลทู่ไปละเสียซึ่งความรู้ความเข้าใจอย่างว่านี้แล้วมันก็ย่อมเมื่อมีใครถึงความไมบัิลงก็เสียใจแหละมัน อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละทีนี้เมื่อเห็นผู้อื่นเขาได้ดีบได้ดีกดแสดงความพอยินดีด้วยไม่อิจฉาตาร้อนถ้าหากว่าบุคคลไม่มีมุธิตกจิตอยู่อย่างว่านี้แล้วมันก็อิจฉาลเลยเห็นคนอื่นเขาได้ลาบได้ยศมีคนสรรเสริญเยินยอ ม, มากนี่ครับ ตนเองไม่ไม่มีใครสรเสริญมีแต่คนนินทาว่าร่ายอย่างนี้ก็โน้ยเนื้อต่ำใจจิตก็คิดอิจฉาผู้ที่ได้รับความยกย่องนั้นเหมือนอย่างพระเทวทัตเนี่ยคนพุทธที่ไม่สนใจในธรรมะอย่างว่านี้เนี่ยมด มุทิธาจิตไม่มีบวชใหม่ๆแล้วพระศาสดาพาสเสด็จเข้ามาสูกุลงบิลพัฒ์บรรดาพญาตทั้งหลายไปต้อนรับก็นำน้ำปานะไปถวายบ้งางวันนี้ อุบาสกวิสิการลนั้นก็ไปถามหาแต่ท่านพระอนนท์พระอนุรุทธะบอกภาษาลิบุตรพระโมคคัลลานะพระมหากัสสปะไปอย่างนั้นไม่มีใครถามถึงพระเทวทัตเลยพระเทวทัตก็ น, น้อยใจแ้ววันนี้นะ ทำไมยังไม่มีใครถามถึงเราเลยเราก็เป็นเชื้อสายสักยาราชแท้ๆวันนั้นพูดอย่างหนึ่งก็ได้ว่าเราก็เป็นเชื้อสายของพระพุทธเจ้าแท้ๆพอคิดได้อย่างนี้แล้วก็เกิดความอาฆาตขึ้นมาเอ่ถ้าอย่างนั้นเราเป็นพระพุทธเจ้าเสียเอง มันจะดีมัม้งจะมีผู้ยกย่องมากเราจะคิดทำลายล่างผ่านวัชชมชีพของพระพุทธเจ้านี่แล้วเราจะได้ยกตนขึ้นเป็นพระพุทธเจ้าแทนอย่างนีนะ้ความคิดอันเป็นบาปของพระเทวทัตไปคิดอย่างนั้นนะ ต่อจากนั้นมาพระเทวทัก็คิดทำลายพระพุทธเจ้าแล้วนด่าพระสาวกผู้ใหญ่เหล่านั้นเลื่อยมาแต่พระสาวกผู้ใหญ่เหล่านั้นท่านสิ้นกิเลสแล้วท่านก็ไม่ถือสาด่าก็ด่าไปนี่แหละพระเทวทันไม่มีมุทิตาจิตไม่มีอุเบกขาทำอยู่ในใจ ถึงได้เกิดอิจฉาพยาบาทขึ้นอย่างนี้หมายความว่าอย่างนั้นให้พากันเข้าใจที่ยกพระเทวทัศน์มาสู่รั้งนี่ก็เพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าคนเราถ้าไม่มีความมุทิตาจิตคือไม่พอยินดีในผู้อื่นในเมื่อผู้อื่นได้ดีแล้วอย่างนี้นะมันก็เกิดพยาบาทอาฆาตจองเวีนไปทั่วเลย มันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นในเรื่องการแสดงความยินดีพอใจในเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดีได้ดีเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของเราทุกคนอย่าไปคิดน้อยเนื้อต่าใจว่าไอ้เราก็มีคุณความดีเหมือนกันกับเพื่อนเหล่านั้นทำไมเราไม่ได้ดีไม่มีคุณยกย่อง ไม่ควรที่จะไปคิดอย่างนั้นเพราะว่าการทำความดีของคนเรามันแตกต่างกันบางทีบุญกุศลที่เราทำมามันยังมาไม่ถึงยังไม่ได้อำนวยผลให้แม้เราจะทำดีในปัจจุบันนี้มากอย่างไรมันก็ยังผู้อื่นยังมองไม่เห็นเลยนั่นเนีะยมัน เรื่องปุเพกะตาปุญญาตานี่นะความเป็นผู้ได้ทำความดีไว้ในปางก่อนเนี่ยนับว่าเป็นสิ่งสำคัญพระพุทธเจ้ายังตรัสว่าเป็นมงคลอันสูงข้อหนึ่งในมงคลสามสิบแปดประการ น, นะอ๋อทำความดีเหมือนกันนะแล้วทำไมจึงผู้หนึ่งพดได้ดีมีคนยกย่องสรรเสริญใน้สูง ขึ้นไปผู้หนึ่งพอไปไม่ถึงไหนย่ำต๊อกอยู่ตามเดิมคราวนี้ก็เลยไปโทษคููบังคับบัญชาว่าลําเอียงอย่างโน้นอย่างนี้ไม่มองดูเราผู้ทํางานแทบประดาตายมันก็คิดเป็นอกุศลไปแล้ววันนี้นะมันเปนอย่างนั้น แต่ที่จริงแล้วมันต้องคํานึงถึงบุญกุศลน้นหลังกับบุญในปัจจุบันนี้สมทบกันนั่นแหละผู้ที่เพื่อนได้ยศถาบรรดาศักด์ก่อนเราได้รับคว า, ามสนับสนุนยินยอ ก, ก่อนแสดงว่าเพื่อนเหล่านั้นได้ทําบุญกุศลมาแต่ก่อนมากนั่นแหะบุญกุศลอันนั้นน่ะจึงมาโดนบรรดาล สมทบกับบุญกุศลปัจจุบันให้เข้าจึงเป็นเหตุให้ผู้หลักผู้ใหญ่มองเห็นแล้วยกย่องให้เกียรติยศขึ้นไปแต่ข้างพระพุทธเจ้าก็ยังมีภาษาบุกที่เป็นบุทุชนยังวิจารณ์ถึงเรื่องพระพุทธเจ้า แต่งตั้งธรรมาสาริบุตรพระโมคคัลลาเป็นอักษาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาในเมื่อพระเถระที่บวชก่อนอาวุโสมีอยู่หลายองค์เหมือนทำไมถึงไม่แต่งตั้งให้เป็นอกรรักษาวกทำไมมาแต่งตั้งพระหนุ่มซึ่งบวชทีหลังเพื่อน นี่เป็นอักสาวกเพราะพุทธองค์ทรงทราบเข้าพระองคจง์จึงได้ทรงแสดงอดีตชาติหนนหลังในอักสาวกทั้งสองนั้นให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังว่าอาักสาวกทั้งสองนี้ท่านได้สร้างบุญกุศลบารมีธรรมปัตถนาเป็น อักษาวุก ข, ของพระพุทธเจ้าพราะองค์ใดพระองค์หนึ่งในอนาคตออทรงยกเรื่องราวของท่านทั้งสองจะเป็นพระฤีษีบ้างเป็นกะบอดีในธรามบุญดำทานได้รักษาศิลในได้บำเพ็ญฌานสมาบัติอยู่ในป่าหลายชาติหลายพพอา น, นิสงส์ น, นั้นแหละ มาอำนวยผลให้ในเมื่อท่านสร้างบุญบา ร, รมีเต็มเข้าขั้นแล้วเจเนปุตตะเจ้าก็ทรงรู้ด้วยพยานอันสาวกองค์อื่นนั่นน่ะไม่ได้สร้างบุญบา ร, รมีปรารถนาเป็นอคกสาวกของพระพุทธเจ้ามาแต่กอนท่านทั้งสองนี้ได้สร้างบา ร, รมีปรารถนาเป็น อัคสาวกของพระพุทธเจ้ามานี่ดังนั้นพระองค์จึงได้แต่งตั้งให้เป็นให้ท่านสารีบุตรเป็นอาคสาวกเบื้องขวาแต่งตั้งให้พระมหาโมกกลานะเป็นอาคสาวกเบื้องซ้ายของพระองค์ดังนั้นเหตุนั้นให้พากันเข้าใจใ้ความเป็นไปในชีวิตของมนุษย์นี่นะ มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนั่นีหยมันไม่ใช่ว่าเป็นไปลอยลอยโดยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยตกแต่งให้เป็นไปอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนี่อืมเป็นไปโดยเหตุโดยปัจจัยมันมีเหตุปัจจัยแต่หนหลังนู่นหนูนส่งมาคนส่วนมาก ไม่ได้คำนึงถึงเหตุถึงปัจจัยของชีวิตต่างกล่าวมานี้เหตุนั้นถึงไปชอบอิจฉาลิสยาผู้อื่นเห็นคนผู้อื่นเขาได้ดิบได้ดีก็ทนอยู่ไม่ได้อิจฉาอิสยาอืมอย่างนี้เพราะฉะนั้นธรรมะเหล่านี้ก็สงควรจะจดจาเอาไว้ สมควรจดจำเอาไว้แล้วปกติปฏิบัติตามเมื่อเห็นคนอื่นเขาได้ดีได้ดีเราก็แสดงความคอยยินดีด้วยขอให้ผู้ดันเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปแม้เราไม่ได้รับความยกย่องก็ตามก็ น, นึกว่าบุญของเรายังไม่ถึงอย่างนี้ก็ถูกต้อง ถ้าบุญถึงแล้วมันก็เป็นไปล้ะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเพึ่งพากันเข้าใจธรรมะไว้ธรรมะแต่ละอย่างนะมันมีความหมายในทางปฏิบัติหรือมันเป็นเครื่องกรรมจัดกิเลสบางสิ่งบางอย่างออกไปจากกิจใจอย่างนี้นะนั่นนี่ย ความเป็นผู้ถือสันตถธตามมีตามได้อย่างนี้นั่นมันก็เป็นธรรมะอันสำหรับป้องกันไม่ให้เกิดความโลภในลาบในยศในสนรรเสริญเยนโยต่งางๆขึ้นมานี่ถ้าเป็นผู้ไม่มีสันตุธีธรรม อันนี้อยู่ในใจแล้วแล้วก็ยอมเป็นผู้ที่เกิดความโลภขึ้นในใจอย่างที่ว่า น, นั้นนหะเมื่อเห็นเขาร่ารวยก็อยากรวยก็เขาเมื่อเห็นเขามียศถาบรรดาศักดิ์ก็อยากมีก็เขา น, นี้ลนบางคนก็เอาเงินไปจ้างผู้หลักผู้ใหญ่ดุให้เขาเสนอชื่อตนให้ยศไทยศักดิ์ เสียเงินเป็นแสนแสนก็มีอันนี้นะว่าไม่ถูกต้องเลยได้มาด้วยอำนาจแห่งเงินไม่ใช่ได้มาด้วยคุณงามความดีอันนี้ไม่ถูกต้องดังนั้นเราทุกคนควรพากันสนใจธรรมะนี่ให้มากๆทีเดียวเมื่อเรา สนใจธรรมะรู้ธรรมะแล้วอย่างนี้กิเลสมันก็ย่อมห่างไกลจากกิจใจเมื่อเรามีธรรมะเรานั้นอยู่ในใจแล้วก็อย่างที่ว่ามาแล้วนี่แหละเมื่อเรามีมุทิตาจิตอยู่ในใจอย่างนี้นะแล้วเมื่อเมื่อเห็นคนอื่นเขาได้ดีได้ดีนะเราก็ไปแสดงความพอยินดีด้วยเอ กิเลสอันความอิจฉาหรือเสยามันก็ไม่เกิดขึ้นในใจออย่างนี้แหละก็ธรรมดาแหละบุคคลผู้ที่ยังไม่รู้ธรรมของจริงมันก็เป็นอย่างนี้แหละก็ต้องเราต้องอาศัยธรรมะเหล่านี้เป็นเครื่องอยู่ในใจมันจึงจะกั้นคางกิเลสต่างได้อืม ท่านผู้รู้ถัดจะทำทำของจริงแล้วอย่างนี้เนี่ยท่านพูดเช่นนั้นนะแม้ว่าใครจะได้ลาบได้ยศจะได้รับคำสรรเสริญเยินยออย่างไรอย่างนี้ท่านก็ไม่แสดงอาการขึ้นลงสูงต่ำกับลาบกับยศกับสรรเสริญเยินยอต่างๆหมู่นั้นนะอนนี้เนี่ย เพราะเหตุว่าท่านรู้ธรรมของจริงแล้วคือรู้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมดับไปจะเป็นลาบยศสนเสริญก็ตามความสุขกายความสุขใจในโลกอันนี้เนะี่ยมันก็เป็นสุขชั่วคราวมันมีเกิดขึ้นแล้วก็แตกฟวนแตกดับไปท่านเห็นแจ้งด้วยปัญญาอย่างนี้ เพราะฉะนั้นจึงไม่ได้ยินดีหลงยินดียินร้ายไปตามราบยศสนเสรินที่คนอื่นได้ผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อภาวนาไปลงไปถึงขั้นนี้แล้วนั่นแหละมันถึงจะค้นจากโกรคกระทเหล่านี้ไปได้ความมีลาบความเสื่อมลาบ ความมียศความเสื่อมยศความสนสัเสรินความนินทาความสุขความทุกข์เหล่านี้นะอันนี้นั้นท่านเรียกว่าเป็นธรรมประจำโลกคืออยู่เป็นธรรมประจำกับร่างกายชีวิตของคนเรานี่แหละในคำว่าโลกมันก็ท่านหมายเอาอัตภาพร่างกายคนเรานี่บาง บางสำนวนนะที่พระองค์แกวแสดงนะไม่ได้หมายเอาแผ่นดินต้นไม้ใบหญ้าแต่บางสำนวนโลกนั่นหมายเอาแผ่นดินน้ำไฟลมอันเป็นที่อาศัยของสัตว์โลก อ, อย่างนี้นะโลกบางสำนวนหมายเอาหมู่มนุษย์นี่แหละอย่างโลกกระทำแปดนี่ น, นั่นเอง สาต์ทั้งหลายย่อมเป็นไปตามธรร ม, อ, มอั น, นี้เป็นธรรมประจำโลกคือประจำชีวิตของมนุษย์ปุถุชนผู้มีกิเลสตัณหาอยู่นี่นะอันนีวันนี้ผู้ใดมาได้ฟังได้รู้โล ก, กธรรมแปดอย่างนี้แล้วทั้งส่วนดีและส่วนชั่วก็ร่วนตั้งแต่เกิดขึ้นแล้วดับไป ไม่มีอะไรยั่งยืนอยู่ได้เลยอย่างนี้เมื่อรู้แจ้งอย่างนี้แล้วก็ตั้งจิตให้มั่นไม่วันไหวไปตามใครสรรเสริญเยือนยอมาก็ไม่หลงไม่เพลินไปตามใครจะติชินนินทาว่าร้ายมาก็ไม่เสียใจไปตามสำรวมใจให้ตั้งเป็นกลางอยู่ได้จะประสบความสุขก็ไม่ เกิดเพลินดีกับความสุขอันอาศัยวัตถุสิ่งของนั่นนั้นความสุขที่อาศัยเงินทองอาศัยเข้าของอาศัยลาบยศต่างๆหมดนี้นะมันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนในเมื่อสิ่งของเหล่านั้นมันเสื่อมสิ้นไปความสุขอันนี้ก็หมดไปตามกันเมื่อได้ประสบความทุกข์ทุกข์กาย ร่างกายสังขารโรคภัยใครเจ็บเอียดเบียนเอาเจ็บหัวปวดท้องเจ็บแข้งเจ็บขาอะไรต่ออะไรหมดนี้นะก็ต้องพิจารณาเห็นว่าธาตุสี่ขันหานี่มันเป็นของไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงเลยจะให้มันอยู่นิ่งๆนี่มันไม่ได้ถึงขามันวิบัติมันก็ต้องวิบัติ แต่ปผนไปเป็นธรรมดาอย่างนี้น ะ, ะจะให้มันตั้งยังยืนอยู่ได้อย่างไรของไม่เทียงสอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้นะจิตรู้แจ้งตามเป็นจริงอย่างว่าเนี้ยไม่วันไหนไปตามความทุกข์อันเกิดขึ้นจากร่างกายสังขาร น, นั้นอันนี้แหละท่านกล่าวว่าผู้ใดมีจิตใจ ตั้งมั่นม่วันไหวต่อโลกกระทาแปดอย่างนี้แล้วผู้นั้นย่อมมีจากกิตใจของท่านผู้นั้นให้พากันเข้าใจนี่แหละแต่ถ้าหากว่ามีวันไหวอยู่บ้างแล้วก็รู้เท่าอยู่บ้างอย่างนี้ก็ยังดีนะดีกว่าไม่รู้เท่าเสียเลยก็เมื่อ จิตยังไม่หลุดพ้นจากกิเลสโดย ก, การทั้งปวงนะเมื่อได้ประสบโรกกระทเข้าอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วมันก็ย่อมมีความหวันไหวเป็นธรรมดาแต่แล้วเมื่อมารู้เท่าเมื่อพิจารณารู้เท่าแล้วมันก็ตั้งมั่นลงได้ไม่หวันไหว อ, อ, อันนี้เราก็ฝึกไปอย่างนี้แหละธรรมดาผู้ที่ยังไม่พ้นจากกิเลสตัณหานะ ต้องฝึกใจไปอย่างนี้แหละคนเช่นอย่างโครคภัยก็เจ็บเบียดเบียนร่างกายอย่างนี้นะร่างกายเป็นทุกข์ทนทรมานเจ็บปวดอย่างนี้นะอ๊ดก็ทนเอาเพราะพี่นาเห็นว่าทําอันนี้เป็นธรรมประจําโรคคือประจําร่างกายอันนี้เมื่อมีร่างกายอันนี้มาแล้วมันก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายติดตามมาด้วย ถ้าไม่มีรูปไม่มีนามอันนี้ก็จะไม่มีแก่มีเจ็บมีตายจะไม่มีทุกข์ทนในยากลาบากอย่างนี้เลยทำยังไงไอ้ทนหนักละขันห้าวางขันห้านี่ไปได้แต่ขอนมาพ็จึงได้มาเกิดอาศัยขันห้านี่อยู่เมื่อมาอาศัยขันห้านี่อยู่อย่างนี้แล้วก็ต้องอดต้องทนเอาเพราะเรามาอาศัยของไม่เที่ยงอยู่ ออย่างนี้แหละสอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้แล้วจิตนี่มันก็ย่อมรู้แจ้งได้เมื่อปัญญามัสอนเข้าไปอย่างนี้รู้แจ้งว่าออกเป็นความจริงนะเราเป็นผู้หลงเองเราไม่รู้แจ้งแต่ชาติก่อนหุ่นหลังนูนะ่นเราคงระวังขันห้านี่ไม่ได้จึงได้ใช้ขันหานี่ทําดีบ้างทําชั่วบ้าง คำดีคำชั่วจึงได้นำจิตวิญญาณมาเกิดเป็นรูปเป็นนามขึ้นมาอีกจิตนี่ก็ต้องเลยมาอาศัยรูปนามอันนีอ้อย่างนี้เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็ต้องพยายามพยายามปล่อยพยายามวางขันหน้าอันนี้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วนะจะไปถือมั่นไว้ ภาวนาสอนจิตนี้ให้ปล่อยให้วางขันห้านี่เข้าไปสอนมันอยู่อย่างนั้นแหละอย่าไปถือว่าเป็นตัวเป็นตนถือไว้ได้มันก็ไม่ได้ดอกมันก็ไม่เป็นไปตามใจหวังเพราะว่ามันไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดไม่มีใครเป็นเจ้าของอย่างแท้จริง ่างนั้นการที่จิตมันจะรู้แจ้งมันจะเบื่อจะน่ายจะคลายความยึดความถือในขันหานี้ได้เพราะเพราะอาศัยอุบายปัญญามีอุบายปัญญาสอนใจตัวเองนี่แหละอันผู้อื่นสอนก็สอนเป็นข้างเป็นขาวเท่านั้นเองแต่ สอนตนเองสอนตนเองนี่เนะีย่ยนี่ว่าสอนได้ทุกเมื่อเลยอืมดังนั้นทุกคนจึงพากันมีสติมีปัญญาหาอุบายสอนจิตนี่ให้จิตนี่ได้เข้าถึงความจริงอของสังขารของนามของรูปเหล่านี้ให้ได้ความจริงของนามของรูปนี่เป็นอย่างไร เราก็กำหนดรู้จริงตามเป็นจริงอย่างนั้นอย่างนี้แหละมันถึงจะพ้นจากทุกไปได้ขอให้พากันเข้าใจเราจะมาแต่ให้พวกอื่นสอนอยู่อย่างเดียวเมื่อเลิกจากการฟังไปแล้ว ไม่เอาอุบายไม่จำอุบายเหล่านี้ไปสอนใจตัวเองอีกทีหนึ่งอย่นี้มันก็ไม่ได้จิตนี้มันก็ไม่เบื่อไม่นายต่อธาตุสี่ขันห้า 4, อันนี้เลยมันก็มีแต่ยึดถือว่าของ ข, ของเขาอยู่อย่างนั้นเนี่ยดังนั้นนะให่พึ่งพากันเข้าใจไม่มี ใครที่จะมาสอนเราให้เราหลุดพ้นไปได้ในเมื่อเราอินทรีย์บารมีก็ยังอ่อนอยู่ยังไม่แก่กล้าพองนี้น ะ, ะมันก็ต้องพยายามสอนตัวเข้าไปเลื่อยๆไปเล้วดั้นั้นเป็นหนทางที่จะพ้นทุกข์ไปได้ตามกำลังความสามารถของตนของตนดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้